เราลึกชาถอยหลังที่ไม่เคยบรรลุมาก่อนได้ประจักษพระไทยหายสงสัยโดยไม่โดยไม่มีใครบอกเล่าวัาปฐมยามก็ทรงบรรลุจุตูปปาตยานทรงรู้ความจตุติและความเกิดของสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณได้โดยไม่มีใครบอกเล่าพอปัจิมยามก็ทรงบรรลุอาสวัคคยายานยานความรู้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาสวะคิเลททั้งมวลไม่มีหลงเหลือในพระไทยเลยพร้อมด้วยวิชาสามอภิญญาหกเป็นต้น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 ขอจะลมหายใจเท่านั้นถ้าจะเตรียมหีบเตรียมลงก็ควรแล้วเดี๋ยวจะเน่าเฟะเต็มบ้านที่กล่าวมาเหล่านี้คือข้อยืนยันของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาและนำธรรมมาสอนโลกส่วนกิเลสตัวพาสัตว์โลกให้สมแว่นตาดำมองอะไรเป็นหลังหมีไปทั้งตัวนั้นมันมีคุณสมบัติอะไรสัตว์โลกจึงเชื่อมันเอานักหนาถึงขับไม่ยอมรับความจริงอะไรจากทําบ้างเลยกิเลสหมดทั้งโคตแส่พ่อแม่ลูกเต้า